วิปัสนาคือการที่เราสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจวิปัสนาไม่ได้ตื้นแค่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสนาต้องเห็นกายเห็นใจมันแสดงไตรลักษณ์ได้กายกับใจจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้มีเงื่อนไขยอยู่สองอันนะอันหนึ่งต้องไม่เผลอถ้าเมื่อไหรเราเผลอเราก็ลืมกายลืมใจ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 พวกเราเริ่มเห็นไตรลักษ์แล้วรู้สึกไหมเห็นแต่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นแต่บังคับไม่ได้เห็นแต่มันทํางานได้เองเนีการที่เรารู้ลงไปนะัเราเห็นไตรลักษ์เขาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ตัวเราที่แท้ จ, จริงบังคับไม่ไดนะนะ้ไม่มีตัวตนถาวรอย่างคําว่าอนัตตาแปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะอนัตตาจริงๆไม่มีตัวตนถาวร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 แต่ว่าได้ยินอาจารย์สอนในซีดีว่าแต่ละคนสะสมความหลงผิดไว้ไม่รู้กิจชาติ<ม>ก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปมผมก็จะไปบัติตามที่อาจารย์ได้แนะน<ท>ําไวนะ้ว่าจะเรียนรู้<ม>ต่อไปช่วยชีวิตนี่สาธุเลยสาธุโมทานาสาธุนะดีมากเลยทําได้ครบเลยนะมีศีลไหมนะ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 ห้าเจ็ดห้าเจ็ดการรัการครับหลวงพ่ อ, อ, อ ผ, มผมก่อนก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้านี้ผมจะฝึกนั่งสมาธิแนวพุทโธยกไหมไหนยกไห ม, นะมนั่งสมาธิแนวพุทโธนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากปี2550ยห้าิบผมก็ได้มาฟังเทศหลวงพ่อโดยการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต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 เวลาเลิกปฏิบัติมันก็ไม่ยอมหยุดหาไม่ยอมปฏิบัติไอ้ไม่ยอมหยุดปฏิบัตินะไม่ยอมเลิกเลยเหรอ<ะ>ไปหางานทำไปเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไร เ, เี้ยทำงานไปนะแล้วก็ควรดูจิตจะดูอะไรฮะตอนนี้ไม่ดูตอนนี้เครียดไปนะหยุดพักก่อนนานเท่าไหร่ฮะ <laughs> ให้หายเครียดก่อนพอหายเครียดแล้วนี่นะพใจเรามีความรู้สึกต่างๆไหลมาเราก็คอยรู้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 ก็คือดูไปเฉยๆอย่างนั้นเหรอคะใช่เห็นไหมจิตทํางานได้เอง ค, <ะ>คนขี้โมโหเนี่ยจะเป็นพวกที่ปัญญากล้าหนึ่งหนึ่งพวกปัญญากล้าเนี่ยดูความเป็นอนัตตาไว้<ค><ะ>มันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานเองมันโมโหเอง<ค><ะ>ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วหนูสงสัยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเวลาที่เราโมโหแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือมันจะมีความคิดแบบผุดขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นคําพูด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 อสองอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกในจิตว่ามีความเศร้าหมอง ม, มีโมหะราคะและโทสะซึ่งก่อนหน้านั้นมีวิจิกิจฉามานะปุธัจจะคือมันเกิดจากที่เรารักษาสีลห้ามาตลอดแล้ววันนึงเราทําผิดแล้วเราก็รู้สึกแล้วก็ทุกคืนนะคะจะอาราธนาสินห้าแต่ใจจิตมันไปติดว่าเราทําผิด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 เวลาผิดศีลแล้วเราคิดซ้ํามันก็เหมือนเราทําผิดซ้ําขึ้นมาอีกจิตจะขึ้นวิถีที่เป็นอกุศลเหมือนเดิมเลย<ร><บ>ใช่จ้าเพราะเราอย่าไปคิดซ้ําเราไปคิดสิว่าวันอื่นๆเราก็รักษาศีลไว้ดีแล้ว <gjorde S 1> คิดถึงไอ้ตอ<ห>นที่ <ๆ S 2> มันดีสิทําไมไปคิดตอนใจร้าย <S <S ก็ที่ปฏิบัติมาปีครึ่งนะคะก็มีความสุขเรื่อยๆจิต<ด>ก็รู้สึกผ่องใสมีอะไรมากระทบก็ไม่ไม่ค่อยที่จะ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 เรียนๆไว้หน้าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตการนมัสการเจ้าค่ะลงอักที่นี่ครั้งแรกปกติช่วงก่อนก็มีปฏิบัติออนั่งสมาธิแต่ว่าจะปวดหัวทุกครั้งเลยที่ที่นันอย่าไปนั่งสินั่งแล้วปวดหัวไปนั่งทำไมอ่ะ <laughs> ไปหางานทําไป <laughs> เช่นเรากวาดบ้านอย่างเงี้ยกวาดๆไปแล้วเราก็โมโห ว, ว่าคนอื่นมาทําสดปลกอะไรเงี้ย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 พอจะตกใจมันมีจิตตัวงไปรู้ว่าจะตกใจว่าอ้าวนี่ฝันนี่นายอย่างนี้เออจา้าค่ะก็ดีแล้วนี่ก็แล้วคราวนี้แต่ว่าเวลาที่เราอยู่บางทีเผลอไปกับรู้ไปอย่างนี้เจา้าค่ะก็ฟื่อยใช้ได้ด <c oughs> ี <c oughs> ดูจิตไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะดูจิตไปเรื่อยๆ <c oughs> อาเบอร์ย7ิบเจ็ดนมาสการครับมาส่งการบ้านคราวที่แล้วอ่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 ขอคําแนะนําพระอาจารย์ว่าการที่คารวะแบบพ ว, พวกเราอย่างนี้เราจะฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อให้ได้ฌานเนี่ยก่อนที่จะก้าสู่วิปัสสนาที่เข้มแข็งต่อไปเนี่ย อ, อ, อืระหว่างที่เป็นปฏิภาคนิมิตเราจะหน่วงยังไงให้เข้าปฐุมฌานครับดูปฏิภาคนะเอาปฏิภาคเป็นอารมณ์ไม่เอาลมหายใจเป็นอารมณ์ละ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 วันนี้มันพลิกไปพลิกมาเจ้าค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยกลับไปดูเนี่ยย้อนลงมาไปเห็นความเป็นตัวเป็นตนของเรามันโผล่ออกมาแวบๆแล้วก็มันใสๆเบาๆเจ้าค่ะอย่าไปประคองให้ใสให้เบาก็แล้วกันโผล่ขึ้นมาก็รู้ลูกเดียวหลยเ้าค่ะขอกันบ้านเพิ่มเจ้าค่ะเท่านั้นก็เยอะแล้วไปทําอีกค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเป็นไหมตัวตนจริงๆไม่มีมันผุดขึ้นมาเป็นคราว